คุณและคู่ครองเป็นแบบไหนคอยให้กําลังใจกันโดยเฉพาะตอนโดนคนอื่นบันทอนกาลังใจมาหรือคอยบันทอนกาลังใจกันบีบไม่ต้องหากําลังใจจากคนอื่นว่ากันตามหลักการมีคู่ครองควรหมายถึงการมีใครบางคนเอาไว้คอยให้กําลังใจกันโดยเฉพาะ ตอนโดนคนอื่นบันทอนกำลังใจมาแต่ว่ากันตามจริงการมีคู่ครองส่วนใหญ่มากลายเป็นการมีใครบางคนเอาไปคอยบันทอนกำลังใจกันแล้วบีบไม่ต้องไปหากำลังใจจากคนอื่นในชีวิตจริงความสนิทชิดเชื้อยาวนานเห็นตัวจริงกันหมดทั้งเนื้อทั้งตัวและความคิดของแต่ละฝ่ายมาก่อความรู้สึกขึ้นมาหลายๆประการ เช่นชินชากับสิ่งที่เคยพอใจจนรู้สึกท่าเลือนและเพิ่มความอึดอัดกับสิ่งที่ไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเบื่อหน่ายกลายเป็นแรงดันให้นึกอยากพูดถากถางหรือมองกันด้วยเาตตาของคนไม่พอใจกันอย่างเปิดเผยอันด้านร้ายใส่กันแบบไม่ต้องแรงใจกันอีกแต่เมื่อไปพบปากพูดคุยกับใครอื่น ที่ไม่ใช่คู่ของตนคนที่ยังไม่เห็นกันและการเปิดเผยชัดเจนก็มักหันด้านดีเข้าหากันหรือพร้อมจะมองกันในแง่ดีมากกว่าแง่เสียความรู้สึกชุ่มชื่นจึงเกิดชัดเด่นก่อให้เกิดความพอใจมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมจะมองกันและกันด้วยสายตาของคนพอใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่การสารสัมพันธ์กับคนใหม่แล้วหมางใจกับคนเก่า หากเห็นภาพรวมเช่นนี้ก็จะเริ่มเข้าใจเป็นเลาๆว่าการครองคู่กันแบบยากจนหรือร่ำรวยจะดูมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติจะไปวัดด้วยกันบ่อยหรือไม่ไปวัดด้วยกันเลยก็หาใช่เครื่องประกันว่ามีธรรมะในการครองคู่ให้อยู่รอดแล้วธรรมะในการครองคู่ให้อยู่รอดตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นนอกจากศรัทธาทางเดียวกัน ยังมีศีลข้อสามต้องฝึกรักษาให้สะอาดเสมอกันยังมีเรื่องของน้ำใจที่ต้องฝึกเกื้อกูลให้ได้ใจกันยังมีเรื่องของความคิดอ่านพูดคุยให้รู้เรื่องกันเพื่อให้เกิดความมีแก่ใจในการดูแลกันโดยย่นย่อทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจลงเอยที่คำพูดและการกระทาเกื้อกูลกันและกันด้วยมือไม้ เกื้อกูลกันและกันด้วยวาจาบางคู่บางคนถือว่าเกื้อกูลกันและกันด้วยมือไม้พอแล้วจะลาใจลืมเกื้อกูลกันและกันด้วยวาจาบางคู่บางคนถือว่าเกื้อกูลกันและกันด้วยวาจาพอแล้วจะลาใจละเลยการเกื้อกูลกันและกันด้วยมือไม้ต่อให้เที่ยวทำบุญกันร้อยวัดพันชาต ถ้าไม่ตั้งใจรักษาศีลข้อสามให้ดีถ้าพูดจาไม่ดีใส่กันถ้าไม่ลงมือช่วยกันเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีก็ไม่ได้ชื่อว่ามีธรรมะในการครองคู่ไม่เป็นหลักประกันว่าจะอยู่ด้วยกันรอดไม่อาจชี้ว่าต้องฝืนกระเตงกันไปอย่างเป็นทุกข์นานแค่ไหน